เพราะนั้นอันนี้จะต้องภาคเพียนจะต้องตั้งใจนะจะต้องมีความอุตสาหะพยายามบากบั่นในการที่จะโอ้โหปรับจิตปรับใจตัวเองนะ่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยจนกระทั่งใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นอาตมาเองเนี่ยเคยบอกให้พวกเราฟังแต่ก่อนอาตมาก็ใจร้อนมากนะไม่ใช่คนใจเย็นใจร้อนนะอารมณ์แรง นะเคยแบบว่าบางทีเนี่ยแม้แต่แต่ก่อนบางที่คิดเนี่ยเวลาใครเลวๆร้ายๆอะไรมาไม่ดีที่เรายังคิดรุนแรงถึงขั้นในจิตเรายังยังคิดอยากจะฆ่ามันให้ตายเอาลูกกระเบิดไปเครี่ยงหัวมันอย่างเงี้ยก <c oughs> ็ยังเคยคิดเลยคุณอย่านึกว่าอย่างนี้ไม่แรงนะแค่ความคิดในจิตเราเนี่ยเราคิดคิดฆ่าแกงเขาทํร้ายเขาเนี่ก็แรงแล้วคุณเนี่ยใครไม่เชื่อลองคิดไปบ่อยๆสิเดี๋ยวเถอะ ไอ้นู่นตายแน่แหละถ้าขืนสะสมไปเรื่อยๆรับรองเลยสะสมไปเรื่อยมันเพิ่มขึ้นในจิตเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มดี๋ยวไม่ออกมาเป็นวจีกรรมก็เป็นกายกรรมแน่นอนหลุดออกมาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าแก้ง่ายๆแก้ยากนิสัยคนเราเนี่ยนะถ้าแก้ง่ายนะป่านนี้ทุกคนบรรลุธรรมไปหมดแล้วนิสัยคนเราเนี่ยถ้าแก้ง่ายเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นตัวเราทุกวันเนี้ย นะไม่ต้องพูดถึงหน้าตาเพราะชาติหนึ่งชาติหนึ่งหน้าตามันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่สภาวะจิตเนี่ยเนี่ยมีราคะโทสะโมโหะอะไรพวกนี้โอ้โ h มันเปลี่ยนไม่ง่ายนะสภาวะแบบไหนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ง่ายหรอกคุณไปสั่งสมอะไรไว้ยังไงมันก็มาตามเขามันอย่างนั้นยิ่งใครสั่งสมประเภทที่เราเรียกว่าเป็นอนันตริยกกรรมเป็นบาปหนักอู้หูคุณยิ่งเปลี่ยนยากเลย เปลี่ยนยากเลยมันหนักนาสาหัสสากันเรียกว่า โ, โหต้องไม่รู้กี่กี่ร้อยชาติบางทีกี่พันชา ต, ชาติไม่รู้กว่าจะเปลี่ยนกันได้นะซึ่งไม่ง่ายถึงบอกว่าบางคนเนี่ยแหมรู้รู้รรละ ว, ว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วอยากจะทําให้ใจเย็นเนี่ยไปสู้แค่จึงสองจึงเองอนิดเดียวไงจึงเนี่ย คือไปสู้แค่จึงสองจึงเองอะแค่เนี้ยไม่เอ า, เอาละเลิกแล้วไม่มีทางแล้วไม่มีทางเลยเพราะมันมันต้องต้องอดทนจริงๆไม่อย่างงาั้นพระุทธเจ้าจะไม่ใช้คํานี้เลยคุณคุณได้ยินบ่อยแหละแต่คุณจะเข้าใจแค่ไหนที่ท่านบอกว่าคนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคือต้องอดทนต้องขยนันขี้เกียจไม่ได้ นะคุณต้องทําไปทําไปทําไ ป, ไปก้มหน้าก้มตาทําทําทําทําทําทําจนกว่าเนี่ยแหละมันจะค่อยๆเบาบางลงนะไอพวกไอกิเลสต่างๆพวกนี้ไม่มีทิศอื่นเลยไม่มีทางอื่นเลยทางเดียวจริงๆเลยแล้วก็นั่งคิดเอาแล้วมันก็จะหายเหรอไม่หายด้วยนะมันต้อง ล, ลงมือทําทําทั้งเนี่ยกายกรรมปัจจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยทั้งกรรมสามเนี่ยมันต้องสู้หมดเลย นัสู้แล้วก็ฝืนกับอำนาจกิเลสของความใจร้อนของเราถึงจะใจยเย็นได้นะอันนี้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็มีถามมาสองข้อเราจะหยุดความคิดฟุ้งซ่านให้สงบลงได้อย่างไรจะหยุดความฟุ้งซ่านให้สงบลงจริงๆ ถ, ถ้าแค่เอาสงบเนี่ยนะคุณก็ทำารมถา ถ้าแค่เอาสงบเฉยเพราะวิธีการสมราธเนี่ยก็ทำให้จิตที่มันจะอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันสงบลงมาเท่านั้นเองยังไม่ได้ล้างกิเลสนะแต่ทำให้ความฟุ้งซ่านสงบลงมาเท่านั้นเองคือคือคำว่าฟุ้งซ่านหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยจะคิดไปเรื่อยถูกไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าฟุ้งซ่านเพราะนั้นแค่เอาสงบเฉยเงี้ยก็คือหยุดคิดใช่ม อุณอยู่คิดเรื่องต่างๆได้เนี่ยก็ถือว่าสงบแล้ววั น, นเนี่ยเนี่ยใช้สมถะเนี่ยเร็วง่ายใช้สมถะนี่นะเร็วง่ายากดคมไปเลยหรือว่าอะไรไปเลยเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยเรื่องนี้เลิกคิดไปเลยไม่ไม่คิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเฉพาะเรื่องนั้นเลยนะต้องเอาจิตจดจ่อไปคิดเรื่องนั้นเลยอย่าให้ไปฟุ้งไปเรื่องไหนนเพราะอย่างเวลาเรามาฝึก เจโตสมัฏานเนี่ยเขาให้เราเนี่ยใช้อะไรเป็นกระสินขึ้นมาที่จิตเราเนี่ยจะไปเกาะติดกระสินอ น, นั้นได้กระสินเนี่ยคุณใช้อะไรก็ได้ที่จิตคุณจะไปเกาะได้แล้วไม่ทำให้คุณมาทุกข์มากุมอะไรนะอ ะ, อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะ ต, ต้องอยู่ใน40ีสิกระสิน เ, เป็นแสงสีเสียงเป็นอะไรแล้วแต่คุณคุณใช้ได้ทั้งนั้นแหละขอให้จิตคุณไปเกาะแล้วเนี่ยจิตคุณเนี่ยก็ไม่ไป ปุงฟุ้งอะไรเล้เธออะไรต่อไปอีกนะจิตมันอยู่กับเรื่องนั้นแล้วจิตคุณก็นิ่งได้จิตคุณสงบได้แค่นี้แหละเป้าหมายของสมถะบางคนนี่นะบางที่ะเศร้าๆเรื่องอะไรอยู่สักเรื่องหนึง่งเสร็จแล้วปรากฏว่าโอ้โหกำลังเดินคอตกไปตามถนนใช่ไหมปรากฏว่าเกิดมีรถ วิ่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหวิ่งมาด้วยความเร็วอะไรนะทั้งแต่ทั้งเสียงอะไรอีดอาบโคมคามบางทีไอ้คนนี้พอเห็นนะตกใจนะเลยมัววิ่งหลบรถ ล, ลืมไปเลยไอ้จี๊กซ้าอะไรอยู่นะอย่างเงี้ยมันก็สงบจากไอ้เรื่องที่กําลังฟุ้งกําลังคิดอะไรไปเลอะเทอะฟุ้งซ่านอะไรอันนี้ก็ยังเป็นสมถะนะ ค, คุณเปลี่ยน เรื่องคิดมาแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องคิดไม่ใช่มั่วเลยนะถ้ามั่วคุณก็ฟุ้งซ่านใหม่นะฟุ้งซ่านต่ออันนี้หมายถึงว่าเอาอะไรมาคิดโดยที่เรียกว่าทำให้ไอ้เรื่องที่เราฟุ้งอยู่นะจิต ท, ที่มันมันปรุงไปเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเนี่ยมันหยุดเรื่องต่างๆได้แล้วก็มาอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างนี้ถือว่าสงบได้วิธีการทานองนี้เรียกว่าสมบั อันนี้ถ้าอย่างคุณไปฝึกทั่วๆไปเอาโหเอาสิคุณจะใช้อะไรนะลูกแก้วเนื้อสะดือใช่ไหมหรืออะไรอีกยุบหนาพองหนาพุทธโทอสัมมาอระหังหรืออะไรอีกอะยกหนาย่างหนาเหยียบหนาออะไรอีกอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละที่คุณเอาจีบไปจดจอ่อแล้วคุณก็นิ่งได้ คุณก็สงบได้แค่นี้แหละสงบเพราะันสังเกตแม้ทุกวันเนี้ยนักธุรกิจนักอะไรที่ฟุ้งซ่านเนี่ยอยู่กับเงินทองมั่งอยู่กับธุรกิจของตัวเองพวกฝรั่งอะ่ะพูดง่ายเอา้าจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ฝรั่งแล้วแหละนะคนทั้งโลกเนี่ยที่มันตกอยู่ในระบบทุนนิยมแล้วมั น, นมาคิดในเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรต่างๆเขาถึงชอบวิธีการแบบเจโตสมาถะ ที่ทั่วไปเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าแหมเข้าไปฝึกแล้วว่าโอ้โหมันนิ่งได้มันสงบได้แล้วเขาคิดว่าโอ้โสบายไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปคิดอะไรเลยหัวสมองโล่งโปร่ ง, งแต่จริงๆเนี่ยเขากดเขากดความคิดปรุงแต่งอะไรต่างเนี่ยกดเอาไว้ให้มันไม่ต้องคิดอะไรไว้แต่คนเราเนี่ยโดยสัญชาตญาณของคนเราจริงๆเนี่ยมันมีจิต อยู่จิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องคิดมันก็ต้องปรุงเพราะงั้นเนี่ยเขากดข่มได้เท่าที่เขาจะกดข่มแล้ว น, นั่นเองเพรปรากฏว่าพอเข้าไปไปฝึกพวกเนี่ยฝึกได้เนี่ยโอ้โหชอบมากเลยไม่รู้นะพวกคุณเนี่ยใครเคยไปฝึกพวกสำนักอะไรต่างๆมาบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ไปฝึกทําเจโตสมาธะคุณเคยแบบว่าเลิกฟุ้งซ่านได้ไหมล่ะ นี่เอาแค่ว่าจิตมนันนิ่งได้สงบได้โอ้โหยังสบายเลยใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าสบายเลยแค่คุณได้อุเบกขาธรรมดาเนี่ยอ่ากูยังไม่ต้องไปเอาชานสูงอะไรนะเนี่ยเอาชานแบบลือสีเนี่ยคุณทําวิตกวิจารณ์ได้ปิติสุขใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่เอกะขะตาให้จิตมันอุเบกขาได้ไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยจิตกูนิ่งได้ โอ้โหแค่นี้คุณก็สบายเหลือหลายแล้วแค่เนี้คุณเบากายเบาใจเลยนะเสร็จแล้วยิ่งถ้าคุณโอ้โหไม่รู้ฟุกฟุกหรือเปล่านะบางทียิ่งคือคุณทําได้สูงกว่า น, นี้เป็นชานที่ห้าที่หกอะไรขึ้นไปอุย้ยคุณยิ่งสบายยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะฉนั้นเนี่ยคนติดกันเยอะคนที่พอไปฝึกแบบชานหรือสีพวกเนี้ยแล้วพอได้เนี่ยแม่ชานเนี่ยแปลว่าความสุขเลยนะ ชาเนี่ยย่างๆมันเป็นความสงบอันเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอันเขาเรียกว่าสุขอันประนีตหรือว่าความสงบอันประนีตไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสงบแบบธรรม ด, ดาคนได้เงินมาแล้วก็สุขอย่างงี้ยังฟุ้งซ่านคนได้กินอะไรอร่อยแล้วก็สุขอย่างนี้มันฟุ้งซ่านแต่อันี่สุขสงบจากไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีอะไรโอ้โหมันโล่งมันว่างมันเบา เ, เบากายเบาใจเบาตัวไปหมดเนี่ยเพราะ น, นี่สงบแบบง่ายๆก็อย่างนี้ใช้สมถะแต่ถ้าสงบแบบของพุทธครนี้ไม่ใช่แค่นี้นะแค่นี้ก็ทำด้วยแต่พอถึงตรงนี้ปั๊บเราเริ่มจากการที่จะไปปรุงไปคิดเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะพอเริ่มจิตมันนิ่งขึ้นมานี่ ผูเจ้าให้กลับมาปรุงใหม่เลยกลับมาคิดใหม่แต่คราวนี้มาคิดว่าไอทําไมตะกี้มันถึงได้ฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่สงบไอเรื่องเนี้ยเพราะอะไรเนี่ยเยมันไปคิดยังไงเนี่ยมันถึงได้ไปฟุ้งอย่างนั้นแล้วทําไมจะต้องปล่อยให้จิตมันไปฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้จะยกพวกเนี้ยขึ้นมาพิจารณาแล้วก็คลายเลยคลายเล ย, ล ย, เลยแก้แก้ทิ้งเลยเคราวนี้แก้อย่างชนิดที่เรียกว่า เกิดปัญญายานเลยนะเกิดปัญญายานขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แก้แค่ตรกกะนะไม่ใช่แก้แค่ความคิดนะอย่างเช่นอย่างที่ล่กี้เนี่ยถามพวกคุณว่าถ้าโกรธจะปรับจิตยังไงเอาเอาอะไรมาแก้คุณตอบได้ว่าว่าพยายามทำให้มันเมตตาอันนี้ยังแค่ความคิดคุณรู้แนวทางว่าเออถ้าโกรธ เอาแนวทางอย่างเงี้เอาเมตตามาแก้ใช่ก็ถูกต้องแต่เป็นแค่ความคิดยังไม่ใช่เป็นญาณยังไม่ใช่เป็นปัญญาจริงไม่ใช่ต่อเมื่อพอคุณเจอแล้วใช่ไหมคุณเจอของจริงโอ้โหพอโกวยขึ้นมาแล้วนะคุณพยายามหยุดยั้งมันได้แล้วคุณก็เนี่ยวิปัสสนาพิจารณาจนกระทั่งเนี่ยมันจางมันคลายลงแล้วเราก็เกิดจิตเมตตาขึ้นมาเนี่ยเอาเมตตาเนี่แหละเอา เอากุศลจิตเนี่ยเข้าไปชะล้างเข้าไปทำให้มันเกลี้ยงเกลาทำให้มันหมดไปได้นี่นี่จิตอย่างนี้ที่จะเป็นปัญญาจริงๆหรือว่าเกิดญาณขึ้นมาจริงๆจากการที่เราเนี่ยทำในจิตเราได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดเฉยแต่ทำได้เลยปราบจิตเราได้แก้จิตเราได้จริงๆเกิดมรรคเกิดผล ในจิตของเราขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะทําให้สงบจริงๆจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสงบไม่จริงนะเดี๋ยวคุณก็เป็นอีกเดี๋ยวคุณก็เป็นอีกเป็นอยู่เรื่อยอะ่ะแต่ถ้าคุณล้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะล้างเป็นแบบว่าถ้าคุณจะใช้สมาธก็ตามแต่คุณใช้วิปัสสนาตามอยู่ด้วยเรื่อยๆเสมอๆเสมอๆเสมอๆเสมอๆรับรองเลยข่าวเนี้ยจะเป็นทั้งคนใจเย็นแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่าน ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าอันนี้คือมากผลที่ได้ใครก็ตามถ้าทำแล้วได้มากผลจริงๆแต่อย่าลืมเพชรจะงามต้องอเลอต้องเจรนญในไม่ใช่อามาถึงยกมาเป็นตั้งก้อน ถุมถ้าปั่มอะไรมาเชอมันมันดูมันก็ไม่งามหรอกเพราะกว่าจะงามได้เนี่ยพ่อท่านถึงใช้คำว่าต้องทำให้มากพอนะถ้าทำไม่มากพอแล้วเนี่ยมันมันไม่สาเร็จหรอกออาจมาพูดในสองประเด็นนี้นะในในคำถามนี่พูดไปสองแผ่นยังเหลืออีกสองแผ่นจตเนี่ ย, ยจากที่พูดไปอันนี้ ในที่นี้ใครอยากจะถามอะไรไหมก็ม บ, ม บ, บอกแล้วไงว่าบางทีเนี่ยถ้าคนเรายังไม่เก่งแม้แต่สมาธาก็ตามถ้าคุณไม่ฝึกบ่อยๆนะคุณไม่ฝึกข้ามจำนานเดี๋ยวบางทีคุณคุณจะทำให้ให้จิตมันนิ่งเนี่ยให้เป็นอุเบกขาเนี่ยบางทีก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างละถ้าใครไม่ฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยมันจะ พอท่านก็ใช้คําว่ามันจะเรือมันจะมันจะไม่ไม่ทําได้ตามสั่งของคุณหรอกแต่ถ้าคุณทำํำบ่อยๆคุณทำจนนานนี่มันตามสั่งเลยเพราะจิตคนเรานี่มันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมวิเศษเลยถ้าคุณทําได้เหมือนกันแม้แต่วิปัสสนาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่ไม่ค่อยฝึกวิปัสสนานี่นะคุณแก้ปัญหาคุณส่วนใหญ่แก้ปัญหาแบบวิธีการโลกโลก นะแบบกิเลสกิเลสหรือบางทีก็มาแก้แบบสมถะเนี่ยคือใช้แบบกดข่มไปกดข่มไปนะตัดทิ้งไปช่างหัวเองไม่ต้องไปสนใจมันนะช่างหัวเผือกช่างหัวมันไปอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จบจบจบใครทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยคนนั้นก็จะไม่เก่งในเรื่องของวิปัสสนาเมื่อไม่เก่งในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ย ไอ้กิเลสที่ยังฝังอยู่ยังมีอยู่ก็เล่นงานคุณอยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่าคุณคุณข่มมันได้คุณก็ข่มมันไปแต่มันจะขึ้นมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาแต่ถ้าวิปัสสนาล้างแล้วเนี่ยจริงบางทีเราอาจจะล้างได้วันนิดวันหน่อยหรือวันนี้อาจจะแพ้บ้างพรุ่งนี้อาจจะชนะอะไรอย่างนี้แต่มันจะล้างออกไปเรื่อยวิปัสสนาที่จะต่างจากการส ม, มถะเอาไว้ วิปัสนานี่จะล้างออกไปเลยนะมันจะพูดง่ายๆว่าห้องเนี่ยสมมุติว่าสกปกขนาดนี้ปรากฏว่าคุณทําความสะอาดนะแต่วันแรกเนี่ยคุณทําได้ไม่ค่อยดีนักมันก็ยังไม่สะอาดหรอกมันก็ยังสกโปกอยู่แต่ว่ามันเริ่มเบาบางลงไปบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่สกโปกเพิ่มหนึ่งไม่สกปปกเพิ่ม สองที่สกรปรกอยู่ลดลงบ้างะจะต่างจากสมถะถ้าสมถะนี่นะแบบแบบฤาษีเงี้ยเข้ามาห้องนี้สกรปรกก็ทําเป็นไม่เห็นเนี่ยทำเป็นไม่ต้องคือเห็นจริงๆแล้วเห็นแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ช่างมันดิเออกินก็อย่างนี้ก็ช่างหัวมันนะห้องน้ําจะเลอะไงก็ช่างหัวมันเราใช้ใช้เสร็จแล้วก็ออกไปเไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจอะไรมัน อย่างเก่งแล้วก็เอาแค่ว่าเราลาดน้ําของเราไปก็เรียบร้อยจบอแต่ห้องน้ําก็เลอะอยู่อย่างนั้นแหละห้องน้ํามันไม่ได้ดีขึ้นมาเลยมไม่ได้สะอาดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแล้วจริงๆแล้วเผลอๆจะสกระปรกมากขึ้นด้วยเพราะยังไงเราใช้อยู่เนี่ยมันก็จะต้องสกรปรกมากขึ้นวันใช้แต่การกดข่มอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ได้แก้ปัญหาถ้านานวันานานวันไปจะเพิ่มปัญหา น่ะอานี่นีอ่อธิบายให้ฟังอคนอื่นมีอะไรไหมวันนั้นอาตมามีพูดถึงว่าเนี่ยการจับจิตบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็แยกแยา ก, ยกว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีมันถูกหรือว่ามันผิดเพราะว่าบางครั้งมันจะเข้าข้างกิเลสเราเองไงใช่ไหม ชอบหรือว่าไม่ชอบแล้วก็เอาตามกิเลสเราอะ่ะพลพยายามหาวิธีการที่จะยกเข้ามาเปรียบเทียบเพื่อที่จะทําให้เราแยกได้ชัดขึ้นอย่างเช่นเรายกศีลเข้ามาเปรียบเทียบนะอย่างเช่นศีลหเดี๋ยวยกเข้ามาเปรียบเทียบว่าเอ๊ ะ, อะความคิดอย่างเนี้ยถ้าเราจัดเข้ามาเปรียบกับศีล5ข้อเราแล้วนี่มันมันดีหรือว่ามันไม่ดีมันถูกหรือว่ามันผิด มันเหมาะหรือว่ามันไม่เหมาะกับกับสี่ห้าข้อนี้คือเราต้องหาอะไรที่เป็นหลักที่ชัดเจนพอสมควรเอาเข้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่เอาตามใจเราทาั้นที่เราก็ต้องเป็นคนคิดเองเนี่แหละแต่อย่างน้อยมีตัวเปรียบเทียบเข้ามาเนี่ยมันมีเหมือนกับมีมาตรฐานเข้ามาทำให้เราอย่างน้อยๆจะโกหกตัวเองก็คงไม่ง่ายละ อันนี้แหละมันจะทำให้ใจิตใจเราเนี่ยมันมั น, ม, นมันซื่อสัตย์หรือว่ามันเที่ยงตรงได้มากขึ้นได้ดีขึ้นเะั้นเ อ, เอาเอาวิธีการพวกนี้เข้ามาหรือถ้าเราไม่เอาศีลห้าเราจะเอาสูตรอื่นๆสูตรต่างๆที่เราเรียนรู้มาเป็นธรรมบทเป็นอะไรที่ดีๆที่ถูกต้องเนี่ยเอาเข้ามาเลยเข้ามาเปรียบเทียบเลย่าจะเป็นมรรควง8โพชงเจโพธิปักกียธรรมอะไร่าง หรือว่ามงคลสามที่แปดอะไรพวกนี้เอาเข้ามาเปรียบเลยว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่เป็นมงคลแล้วนี่ใช่ไหมเพราะฉนั้นไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยที่เราจะทาอยู่นี่ต้องผิดแล้วไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเอา้าจิตยังคิดอย่างนี้มันไม่ดีแล้วมันไม่ถูกต้องเราจะได้ปรับแก้ใช่ไหมปรับแก้ความคิดของเราใหม่ให้มันถูกต้องขึ้นมา ถ้าสมมุติว่าเราทํางานอยู่กับเพื่อนอเพื่อนอาจจะพูดไม่ดีหรืออาจจะทําอะไรที่ทําให้เราไม่ชอบใจขึ้นมานะก็าอาจจะมีกิริยาอาการอย่างเช่นบางทีล้างถ้วยล้างชามล้างกระมังโคมคามเงี้ยบางทีเราก็คิดได้นะใครล้างมาเนี่ยเริ่มละเริ่มละล้ลลางไม่มีมารยาทลา้างตะเสียงดังเชียอา้าวบางทีก็เริ่มคิดได้แล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนะตอนเนี้ย ตอนนี้มันเกี่ยวกับเราแล้วนะเราจับได้ทันไหมว่าไอ้ตอนเนี้ยเอาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่านะไอ้เจ้าหมอนี่มันคือไม่ใช่คนล้างนั่นนะไอ้เจ้าหมอนี่ก็คือเอาอีกล้ไอ้ตัวคิดลบคิดแง่ร้ายของเราโผล่มาอีกแล้วมันเริ่มคิดในทางลบในทางไม่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นพอเราจับอารมณ์จิตเราได้เนี่ยก็ปรับแก้ที่ตัวเราตัดรอบคนอื่นก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นก็ได้ คิดถึงตัวเราเองเนี่ยว่าถ้าขืนตอนนี้ขืนคิดต่อไปอีกตายตายนะคงจะคิดไล่เร็วอะไรกับเขาหนักหนักกว่านี้แน่ๆใช่เราเกิดอกุศลจิตแล้วเพราะเราไม่ชอบใจเรา อ, อึดอัดเราขัดเคื้ยวขึ้นมาแสดงว่าเริ่มแล้วกิเลสเราเริ่มแล้วเขาเป็นเพียงแต่เป็นสื่อเขาเป็นเพีย ง, ยงแค่สื่อเท่านั้นเอง สื่อที่จะมาอะไรอ่ะขูดคุยกิเลสของเราให้ปรากฏแต่พอพอกิเลสเราปรากฏใช่ไม้มเราจะไปเล่นงานสื่อตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆต้องเล่นงานกิเลสเราก่อนนะไม่ใช่ไปเล่นงานสื่อ <c oughs> ต้องต้องจัดการไม่ง่ายหรอกนะอันนี้เวลาพูดก็ง่ายทุกทีอ่ะ <c oughs> อ้าว คุณไม่ฝึกจริงๆเนี่ยบอกเลยเลยใครปฏิบัติธรรมมาถ้าใครไม่ฝึกจับจิตจับอารมณ์อะไรต่างๆให้ได้นะอุ้ยอย่ว่าจะชาตินี้เลยชาติไหนๆคุณก็ไม่มีวันหรอกที่จะพัฒนาตัวเองได้<ะ>ใช่ขนาดจับได้นะคุณโอ้โหสู้กันหัวปากหัวปั๊มเลยนะอ๋อสู้กันหัวปากหัวปั๊มเล ย, ยจริงๆนะกว่าจะออืบางคนเนี่ยนะสู้จนกระทั่งรอแล่รอแล่รอแล คือจะหมดเลี้ยวหมดแรงเอาอะแต่บอกคุณได้เลยถ้าตาบใดคุณยังสู้อยู่นะคุณยังรู้ว่าถ้าคุณสู้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีมรรคผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจคุณเห็นปิติเห็นสุขอันนี้นะพูดง่างว่าลองรับเอาไว้เหมือนกับผู้เจ้าเอาพาเจ้าชายนันทะไปดูนางฟ้าที่แสนจะสวยงามเสร็จแล้วก็ เอาเป็นเหยื่อล่อให้เจ้าชายนันทะเป็นเป็นภิกษุแล้วนะเออปรากฏว่าเป็นเหยื่อล่อว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติทําให้สูงให้ได้ดีได้ดีแล้วเนี่ยนะนางฟ้าพวกเนี้สบายมากได้แน่โอ้โหผู้เจ้ารับรองเท่าเดยนะเจ้ารับรองให้ด้วยอืปรากฏว่าเอาเลยสิอโอ้โหเหรอได้นางฟ้าอย่างเนี้ยเหรอรีบไปปฏิบัติใหญ่เลย อปรากฏว่าพอไปปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าเลยโดนพวกเพื่อนแย่พวกเพื่อนเนี่ยเพื่อนภ yeah. ิกษุด้วยกันบอกอ๋อเนี่ยที่ปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อหวังนางฟ้าพวกนี้เลย <c oughs> โอ้โหอะ้รแหลังก็เลยอายอายก็เลยแบบไม่เอาละก็เลยปฏิบัติไปให้มันดีก็ในทสุดก็บรรลุธรรมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ย บางทีเราก็ต้องคิดถึงมากผลที่จะได้นะว่าโอ้โห و, เราจะสุขเราจะสบายอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เรายังไม่ได้หรอกแต่เห็นคนที่เขาได้แล้วเขาโอ้โห و, ใจเย็นเย็นนะหน้าตาเขาก็ดูแก่ช้านะคุณ <c oughs> ก็ไปดูตัวอย่างสิไอ้ที่มันดีๆที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะพอดูเสร็จคุณก็โอ้โห و, นี่ถ้าเราได้มากผลหน้าตาเราก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเ <c oughs> ขาถึงบอกว่าอีกหน่อยหน้าตาคนจะเหมือนกัน่ะนะ ในในด้านที่เรียกว่ า, อ, าอะไรนะพระพุทธเจ้าองค์พระศรีอริยาเมตตาเนี่ยคนจะหน้าตาอะไรต่ออะไรคล้ายๆกันก็หมายถึงว่าเนี่ยโอปัจจุบันทำหรือว่าทําดีหรือว่ามีศีลมีธรรมอะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสเบิกบานก็จะเป็นอย่างนั้น มีความสุขจริงๆถ้าคุณทำได้จริงๆแล้วคุณจะมีความสุขแล้วถ้าคุณสุขแท้นะคุณได้มรรคผลจริงคุณมีความสุขจริงบอกได้เลยที่พู้เจ้าตรัส ว, ว่าเพียงแค่ฐานโสดาบันเท่านั้นนะถ้าคุณทำได้นะไม่มีถอยกลับอะเที่ยงเลยเที่ยงที่จะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆเลยแม้จะหนักเหนื่อยแม้จะลำบากยังไงก็ไอ้ความหนักเหนื่อยความลาบากนั้นอะคือมันมีความสุขรอเราอยู่เลย ซึ่งซึ่งเราชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันถอยกลับแต่ถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่และคุณยังทำไม่ได้แม้แต่ฐานโสดาบันเนี่ยมันอยากจะถอยกลับเพราะมันรู้สึกว่าถอยไปแล้วมันเป็นความสุขมันเป็นความสบายมันจะตรงกังข้ามเลยนะอา้าววันนี้คงพอเท่านี้นะ